ต่อเรื่องเกิดเป็นคนแสวงหาอะไรดีที่สุดนี้ไปเป็น 3 30 สิงหาคม 2542ณหมู่บ้านณ อชีวิตของพวกเราหรือว่าชีวิต ติดตามชีวิตมาไม่รู้กี่ชาติ ตักสรุท่านก็ทบทวนท่านมีบุพเพนิวาสานุสสติญาณมีการระลึกย้อน เกิดมาได้ดีเกิดมาตกยากเกิดมาเป็นขอทานก็มีดีเกิดมาเป็นคนดีเกิดมาเป็นคนเจริญเกิดมาเป็นคนรวยเกิดมาเป็นกษัตริย์เกิดมาเป็นนักครบมาเป็นขอย้อน ซึ่งเป็นความจริงที่ท่านได้ติดตามย้อนดูในวันที่ท่าน คนก็จะผิดเดาเอาทั้งนั้นน่ะเดาว่าถ้ามีไหมเอง ไม่มีโอ้ไม่มีปะเรียน มีไหม? อืมมีคนหนึ่งบวชหลายปี อ้าวไม่มีคือไม่เป็น 100% 6 ปี 6 6 ถ้าใครไปปฏิบัติตามในที่พระ ปรินาน 6 ปีถ้าไปบอกว่าอันเนี่ยจะปฏิบัติตามพระพุทธเจ้า เอ่อดันกินข้าวน้อยจนกระทั่งไม่กินเลยหรือว่าไปแต่กินไปจนกระทั่งมาๆนานา ที่ท่านปฏิบัติบัญญัติๆใดๆเขาจะปฏิบัติอุกฤต น่ะท่านมีแล้วทุกอย่างน่ะบำเพ็ญมาเป็นพระอ่ะท่าน อย่าว่าจะวันเดียวเลยว่าแต่คืนเดียวอย่างพระอย แต่มันไม่ใช่ท่านสั่งๆนานาสร้างความรู้ญาณอย่าง ฤชาโอ้เราเกิดมาเพราะอย่างนี้จึงเป็นอย่างนี้เกิดๆกับลงบัญชี ตัดสินมันพอจะปฏิญญาณอู้ฉันมันก็โล่งว่างสว่างโอ้รู้เป็นพระ เขาบอกว่าตัชรู้เป็นภาษีอ่านเออซึ่งน่ะเมื่อพระอ้อชาตินี้เกิดมาได้ เกิดมาแหละรึกชาติแบบโอ้เราเกิดมา ได้ดําเนินไปอย่างนี้อย่างๆเป็น จึงสรุปได้ว่าศาสนาพุทธนั้นเป็นศาสนากรรมเกิดมากรรมโยนิกรรมพันธุ์ทุกขกรรมปฏิสสรณหรือว่ากรรมทายาโทนิคมทายา เราจะต้องเป็นทายาทของกรรมเป็นผู้รับมรดกกรรมของเลยแบ่งบุญ เป็นเรื่องที่เลวไหลเป็นเรื่องไม่จริงถ้าแบ่งบุญได้ก็แบ่ง ย้อนเป็นเรื่องชัดใครทำดีก็ได้ดีใครทำชั่วก็ได้ชั่วคำเออ อันนี้ก็ค่อยๆว่ากันแล้วใครๆถามกันมาแล้วก็ แล้วก็ปฏิญญาณตนว่าเป็นโมเมๆนานา เวทนาคือมีความรู้สึกสัญญาก็คือความ การอย่างสัญญาและการคุณก็ต้องมีสิ่งที่คุณผ่านมาชาตินั้นคือเพราะ คุณเป็นอะไรคุณได้รู้อะไรคุณได้ผ่านอะไรคุณก็ต้องได้ผ่านของคุณ อะไรประทับใจมันๆพวกนี้ไม่หายไปไม่หายไปคุณจําไม่ พระอริยะเจ้าหลายๆองค์ก็ในเดียวกันฝึกปฏิบัติไป มันก็ฮาร์ดดิสก์ที่เราบันทึกไว้ในคอมพิวเตอร์เนี่ยโอ้ดึง รดชก็เหมือนกันพระอริยเจ้าองค์อื่นก็เหมือนอ๋อคน คุณก็ๆศึกษาเนี่ยอาตมาอธิบายให้ฟังบ้างเล็กน้อยด้วยเหตุ อ่าทีนี้พระพุทธเจ้าท่านเมื่อท่านได้ ถ้าคุณสั่งสมกรรมเป็นกุศลกรรมเป็นกุศลนั่นแหละเป็นทรัพย์แท้ เกิดมาขิรีเออคุณจะเกิดมารวยคุณจะเกิดมาจนคุณก็มีอะไร กรรมของคุณทํามาพาเกิดทั้งสิ้นไม่มี ต่อให้เอายาสารเคมียาคิดคุณก็ต้องเป็นของคุณมโนกรรมคิด ตนเป็นเจ้าของกรรมแล้วมันจะออกฤทธิ์ออกเดชและ จนฮ่อเลือดท่านก็เล่าให้พระสาวกฟังว่า พระพุทธเจ้าตรัสนี่ฟังว่านี่เป็นเพราะมี พระเทวทัตกลิ่นอ่าเอาช้างนราคิรีมาแต่ๆต้องทุก ต้องเกิดวิบากทุกข์หลายๆอย่างท่านก็ร่าตามแม้แต่ เมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเราก็ประมาททําชั่วมันต่อ คุณทํากรรมชั่วแต่คุณไปดีใจที่คุณคอร์รัปชันมาตั้งคร 5 ครั้ง 8 ครั้ง 10 คร เออดีไม่ดีตายแล้วยังได้รับเค้าสั่งอนสาวรีให้ซะด้วยเพราะคน ไอ้กองฟอนนั่นแหละมันไม่ไปด้วยสมัยโบราณตาอาตมายังเด็กมาก มันจะมีรูปถ่ายเลยทุกครั้งอาตมาจะชั่วได้มาเท่าไหร่เท่าไหร่หรือไป ทำคุณปล้นก็ดีคุณเองคุณไปคอร์รัปชั่นมาก็ ท่านเกิดมาท่านก็ตรัสรู้เองไม่ต้องมีใครสอนหรอก ถ้าท่านสังสมมาแล้วจึงมีของท่านเองจึงไม่มีใคร และก็ได้สั่งสมมาสั่งสมมาจน นะว่าพระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้เองเนี่ยไม่ใช่ว่าท่านเองถ้าไม่อยู่ มีคนนั้นเป็นเจ้าของแล้วก็มาแบ่งให้มี เราทํามาอย่างไรเราก็รับอย่างนั้นเหมือน สีแดงสีบ่อยๆบ่อย แต่ถ้าคุณหยุดแดงถ้าคุณๆมากๆๆๆอีกๆอีก ที่มันมีอยู่เป็นพื้นมันก็ เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ลึกซึ้งเป็นเรื่องที่ศึกษา อ๋อมีกรรมแล้วก็มีวิบากของกรรมกรรมสัตตตาสัทธาเชื่อกรรมเป็น กรรมชั่วนี่จะออกผลเร็วนะกรรมดีมันไม่เคยใช่กรรมอาฆาตกรรมดีไม่ เออก็ทําอะไรก็ได้ทําดีอ่ะนะแต่ชั่วแล้วเนี่ยมันร้อนใจที่มัน เออนี่ก็ขอฝากไว้ให้รู้ว่าศาสนาของเรา เชื่อๆแล้วก็ใครจะหาว่าหลงไหลพระพุทธเจ้าก็ สมบัติทรัพย์เสริญคานก็ไม่เอาพอ หน้าตาตามอยากได้เลิก พอนี้พากเลิกไปเลยพอนี้ผ่านหมายความว่าทุก ไม่มีศูนย์เข้าใจผิดอย่างธรรมกายเนี่ยมันนอกศาสนาพุทธเพราะ มาเสพทรัพย์สริ้งคารมาเสพรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสต้องสวยต้องอร่อยต้อง ใครจะมายกเกียรติให้ท่านท่านก็เฉยท่านจะ มีวิญญาณมีธาตุรู้มีๆสวย ก็อยากได้จริงพออ่าอร่อยอ่าได้เสื้อเนี่ยอ่า ไปกินตําคืออีสานเรานี่ตําบักกรงเนี่ยเราไม่ใส่น้ําตาลไง เมืองกรุงก็ก็กินน้ําพริกมีอ่าอีสานอ่าอ่า สมใจทางกลิ่นสัมผัสเย็นเวทนาเป็นเคหะสิตตะสมมนัสเวทนาเวทนานี่มี ต้องขยายความๆแล้วต้องเห็นของจริงด้วยศึกษาโอ้อย่างนี้เองเป็น ค่อยๆลดอยากใหม่ไปเฉยๆแล้วก็อ้าวกันตัณหาใหม่บําเรอ พอเดี่ยวสวรรค์นี่ก็พอทุกคนพอดีก็ค่อยอ่าตัณหาเกิดอีกผีเปรตเกิดอีกเกิดอีกหามาบําเรอ ถ้ากิเลสไม่ได้ล้างเหตุอันนี้เดี๋ยวมันก็มา อธิบายกันว่าศีลเนี่ยอ่าจะสํารวมกายสํารวมก็คิด ก็คิดปรุงระลึกอะไรจะได้เห็นอะไรอะไรแล้วก็บอก แต่เรายกจิตขึ้นคิดถึงเรื่องกามคิดอ๋อเราระลึก แม้ไปสรรค์ยิงสัญญายังกวาสิทธิกามนิชชนะเอ่ออันนี้ก็ไปโอ้โหเราก็ไปทํานี่มาชนะคุณ จิตว่างจากนิพพานเป็นฌานแบบฤาษีเนี่ยกดกิเลสนิพพานไว้ไม่ได้ ได้เงินเยอะเฉพาะทําพระเลยมันขายเนี่ยองค์นั้นองค์นี้ขาย ก็ผ่านกันไปแล้วจะมาตั้งนะเดี๋ยว เพราะจะเป็นฌานแบบนี้แหละเป็นวิมุตติแบบนี้แหละแล้วน่ะพระพุทธเจ้าท่านเรียนมาหมดสิ่ง ประเด็นอรูปฌานพอคอไปประเด็นอรูปฌานอาลานนบทอุทกดาบทเป็นอรูปฌานทั้งสิ้นเรียน 7 8 มันอย่าว่าแต่พระพุทธเจ้าทําเป็นเลยพระพุทธเจ้าก็ผ่าน อรูปฌานะนี้บ้างได้ซ้ําไปอ่าใครไม่ได้ก็ไม่ได้ใคร ด้วยญาณรู้จริงเอามาแล้วท่านปปทท่านไปทําตามอ๋ออย่างงี้ไม่ใช่หรอกท่านก็ไปลองดูอ๋อ อ่าเป็นทางปฏิบัติเพราะฉะนั้นปฏิบัติในการปฏิบัติ 8 สมาสติ ถึงข้อ 281 นะในมหาจัตตารี 14 ถ้าใครมีพระตปิฎกก็ไปเปิด อ่าสัมมาสมาธิอันประเสริฐก็ได้ ยุคนั้นร่วมยุคร่วมสมัยของ แต่ศาสนาเชนนั้นมันมากไปมันไม่ ไปนี่ก็ปัดโอ้หูยปัดปลายมาลงแมลงนู่นๆละเมิดคือมันมากไปไม่เข้าใจ เป็นระดับระดับอุตตนิยามเป็นปีชนิยามๆเลยศาสนาเชน อ่าเพราะงั้นพระพุทธเจ้าจึงตรัสรู้ไม่ เพราะไปเข้าใจก็ตรัสรู้ก็เลยจะไปเอาอย่างท่านหน่อยเห็นช้าง ใช่ไหมมั้ยเอาล่ะใครมีเวลาอ่าอาตมาบอกเลยดีกว่าพระสารีบุตรโอ้โหชัดเจนสว่างหมดตรวจสอบไปแล้วโอ้อย่างนี้ และท่านกับพัดโบก็ท่านเป็นปัจฉาสมณะติเอ่อติกขณนกับปริพาชกก็ ฟังเทศน์พระธรรมสุดท่านก็ตรัสรู้ตอนที่นั่งพับให้พระพุทธเจ้านี้เป็น มีเนี่ยนะไม่ค่อยอ่านแต่เอาของตัวเองออกมาสอนส่วนมาก ถ้าเนี่ยต้องทํามาหากินเลี้ยงเอตตัวเองต้องไป เจ้าอาตมาก็ไม่ได้ศรัทธาเลยเจ้าคุณอาตมาก็ออก เขาเอไม่ได้เรียนมาไม่ได้ศึกษาธรรมะมาแล้วจะเอาธรรมะ <ess> แล้วมันก็มาได้มันก็มาได้เพราะฉะนั้นอาตมาก็ว่าไม่รู้บาลีไม่เคยเรียนบาลีเออ ศ. ศิวะ ก็จะยากนานแก เราสั่งสมบุญทั้งนี้ไปอ่าไม่โดดก็บีเอา ไม่เคยศึกษาเข้าวัดเข้าวาไปศึกษาอาจารย์โน้นอาจารย์นี้ อาตมาก็สอนตามที่อาตมายากแค่อาตมาไปหาเงินแข่ง เกลือเม็ดนึงก็ซื้อเข้าซื้อเข้าบ้านเองไม้กิฟันอันนึงก็ ออกมาไม่ใช่ออกมาเพราะพ่ายแพ้จริงอาตมามีแฟนจริง ก็ว่าจะแต่งงานกันแต่ไม่ได้แต่งงานเพราะพ่อแม่เขาไม่ชอบอาตมาพ่อแม่ขัดขวางๆนานา เค้าก็จะให้ลูกสาวเค้าๆนะๆนานาแล้วก็จะให้ไปแต่งงาน แต่สุภาพอรเมมาเมื่อมาที่วัดทําแล้วอาตมาก็บอกโอ้ทางนี้ดีกว่าอาตมา ก็คือมันเล่าก็ยาวอ่ะนะมันมันนิยายมันเรื่องยาวอ่ะนะเออมัน มาไปดูที่ธนบุรีที่เอ่อสาขาที่ราช 220 แต่ ที่ก่อนอัตตามาจะมาบวชเนี่ยประมาณอายุ 30 กว่าแล้วน่ะเค้ายังคุยเลยว่าพ่อนะซื้อรถเบนขี่เนี่ย อาจจะซื้อระเบิดมาขี่หรือซ้ําไปก็คิดอยู่ว่าๆนานาวางอะไรต่างก็ อ่าก็มาหาเอาอาทิตย์อ่าอาทิตย์อ่าอาทิตย์นี้ตอนแรกๆในเดือนแรกๆนี่อาจพบกัน ในน่ะ 4 อาทิตย์ตอนหลังมาเค้าก็บอกว่าเค้า จากวันลงว่าเอ่อเค้าก็โทษมาหาบ้างอะไรบ้างจน แต่งงานแต่งงานนะทํางานก็กับครอบฝรั่งมี ชีวิตของคนเนี่ยมันก็มีวิบากเขียนนะๆอย่างอย่างงูงอย่างนี้อะไรก็ก็ ศีลสมาธิปัญญามีการกัน จิตถูกละกิเลสล้างกิเลสๆอย่างนี้เองนะต้องญาณเห็นของจริงมันเป็น ต้นเสาต้นนี้อยู่โอ้ยเข้าใจอนิจจังตกะไม่เที่ยงเป็น เนี่ยแม้ 1,000 ปี 2,000 ๆเลย 18 นะ อัตตานุทิฏฐิสูตรท่านสอนให้เห็นในสกมิจฉาทิฏฐิสูตรนี่ท่านสอนให้เห็นว่าข้อ 254 ข้อ อตานุติติสูตรข้อ 255 เห็นด้วยความเป็นทุกข์เป็นทุกขโตข้อ 256 ดึกความเป็นอนัตตาอนัตตะโตด้วยความเห็นน่ะเห็นรูปตัวการนี่ เพราะเมื่อกิเลสปัญหาตัวการนี่เองมันทําให้ เดี๋ยวเดี๋ยวอยากมาอีกสวรรค์อีกเดี๋ยวอยากใหม่อีกนี่คือวัฏะสงสารของปรมัตถ์บนอ๋ออย่างอ๋อ ด้วยสมถะวิธีหรือวิปัสสนาวิธีก็ตามมันไม่จริงหรอกมันทํา อันนี้สะอาดบริสุทธิ์เบากว่าว่างกว่าไม่ต้องเป็น เห็นเป็นอนัตตาเห็นอนัตตาอะไรก็กิเลสตัวเหตุนี่แหละเช่นคุณไปติดบุหรี่คุณทําสมาธิบุหรี่คุณปฏิบัติศีลเอาต่อ แต่ละคนก็มีชีวิตประจําวันนี่แหละอ่ามันอยากสูบแล้วนี่บุหรี่มันอยากกิน จื่อมตานี่ไม่ใช่เป็นนั่งหลับตาที่ทําสมาธิของพระพุทธเจ้าหรือ ซื้อมันก็ซื้ออ่าได้มาชื่นใจขึ้นสวรรค์ห่อเหาะเห็นจิตซื้อได้ว่าเอา <ม. S 2> สมาทานก็สมาทานไปวะเราซัดโอ้โหมันยังอร่อยอย่างเก่าเลย เห็นความไม่คงที่เห็นความไม่เท่าเก่านี่คือเห็นอนิจจังเห็นกิเลสรู้กิเลสอ้อความเป็นปุถุชน ปุถุดิแปลว่าหนาแปลว่ามากแปลว่าโตแปลว่าอ้วนมันอ้วนขึ้นอย่างนี้เองถ้า ก๊อตกิเลสลองดูนามันไม่ใช่เจ้าใหญ่ในตัวมันเป็นแขกรู้จักทัน จาก 100 ลดลงมาเหลือ 99 100, ล เพราะคุณไม่ไปเสพเนี่ยแหละคุณลดตัว ไม่ต้องไปเที่ยวไร้เถลคือเอ้อต้นช้างลงขวดไม่ต้องไปๆโอ้มันทนภาระมันไม่ เห็นความจริงขึ้นมาความมันดีกว่าขึ้นมาโอ้มันดีกว่าคุณต้องประทับใจ ถึงขั้นนิโรธานุปัสสีเห็นความดับกิเลสมันดับแล้วไอ้ตะก่อนมันเคยเกิดโอ้โหแรงปุกเราจิตเราเราทนไม่ได้เดี๋ยวนี้มันไม่เกิดมันว่างมันไม่มีตัวตนแสดงบทบาทเป็นอนัตตาตัวตนมันไม่มีกิเลสมันไม่แสดงมันไม่แสดงตัวแล้วมันไม่ขึ้นแล้วมันหมดแรงแล้วโอ้เป็นอย่างนี้เอง ความไม่มีกิเลสเป็นอย่างนี้ความสูญเลยเรา จิตไม่ต้องการโอ้ แค่ 10 สติแค่อะไรก็แล้วแต่อยากกินไก่ เรียกว่ามุทธภูตธาตุมีปฏิภาณมีธาตุธาตุวิเศษธาตุของฌานฌาน อุตตุภูเตอ่อนกรรมนิเยควรกับการงานที่เตตั้งมั่นอันเนชัพพะเตไม่หวั่นตกนะ นะน่ะโอ้แล้วมันจะไปแข็งยัง สามารถที่จะรู้เร็วในเชิงของปัญญาเนี่ยมันไวมันเร็วหัว เพราะคุณจะรู้เลยว่าคุณจะเมื่อกิเลสมันลดลงไปใน การงานก็ดีการปฏิบัติธรรมก็เป็นการงานการงานทางปฏิบัติธรรมก็เจริญขึ้นได้ผลทางการปฏิบัติธรรมด้วยการปฏิบัติงานการอาชีพกัมมันตาอาชีวะดีขึ้นหมด ก็เป็นสัมมาอาชีวะที่เหมาะควรเกี่ยวกับการกระทํา ทางธรรมเจริญทางทางธรรมด้วยเจริญธรรมด้วยธรรมะก็เจริญ เกียรติค้านขยันมันเพียรสร้างสรรค์ก็เป็นคนมีแต่ กินน้อยใช้น้อยแต่มีส่วนได้มากเพราะเราขยันมันเพียรขึ้น สิ่งอย่างนี้เป็นเรื่องของศาสนา อย่างนี้เป็นต้นคุณตั้งเข้าไปเถอะอะไรที่ 3 เกิด อาตมาอธิบายแล้วนะเพราะตั้งชินนี้และปฏิบัติจริงเห็นกิเลสอย่างนี้ใครมี คนไม่ติดลิปสติกหรือผู้หญิงก็ว่าฉันไม่สูบบุหรี่อะฉันจะสมาทาน ปฏิบัติ 7 นี่แหละนะอาตมา 7 นี่ทั้ง จึงเอานั่นครูบรรลุๆนานานี้มีมากกว่าอานาปานสติไม่รู้กี่ จะของพระเจ้ายากหน่อยแต่ได้แล้วได้เลยของศาสนาพุทธๆนานา อาตมาขึ้นต้นว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยค้นชีวิตมาไม่รู้กี่ แต่ถ้าจะเกิดอีกด้วยร่างกายที่จะเวียนมาเป็นบําเพ็ญ อ่ามีพระปริฎกยืนยันก็ยังดีในพระตะปิดกแล้วอย่าไปอ่า ก็มีพร้อมมีเมียได้ก็ยังรสชาติสวรรค์หอห้อว่าว่าเวอย่าเพิ่ง นะบรรลัยมีมีบารมีสั่งสมไปเป็น <im it> <im it> ความเป็นลำดับของพระพุทธเจ้ามันละเอียดละออถึงขนาดนะมีเบื้องต้นตั้งปาง เพราะเหตุที่ต้องลงกันว่า เพราะคนไม่เจริญไปแก้ที่วัตถุไปแก้ที่วิธีการไปแก้ที่ ชาวไร่ชาวนามันก็อืมเอาอุตจระสิไม่ได้ไอ้คนที่มีเยอะ เพราะเค้าไม่ลดความโลภไม่อีก 5 เพเพมามาไล่ ที่นี่ไม่ๆๆ ถ้าเราหามากเยอะ มีสังคมสาธารณะปกีมีของส่วนกลางทุกคนมาเต็มเต็มใจจะ ท่านโง่ถามหน่อยพระเจ้าโง่หรือฉลาดอ่าอย่าสอบตกนะตอบว่าโง่ มันวนไปวนมาแล้ว Word by ๆศาสนา Dialectic มันไปแล้ว sewa makho natthanyo Thatsanatsa vitsuthiyá Etanhi tumhe patipacita Marat setang pamohanang มีทางนี้ทางเดียวไม่มีพยามาน มักหลงทางเสมอลุ่นทางเสมอพระ ท่านได้ยืนยันมั่นคงแน่เอา ปรัชญาของศาสนาๆ เราเทียบเพราะว่าเรามี เราเข้าใจว่าของผู้อื่นก็ เรเราก็จะรู้ที่เข้าใจก็จะรู้เข้าใจเพราะสิ่งที่เราได้เข้า นะเพราะงั้นมีพระ तो ศาสนาพุทธนั้นประกาศชัดเจนว่าเป็นสภาพ เมื่อเรามารู้ทิศทาง แยกคายวิจิตน่าจะแบ่งกัน มันเป็นเบื้องต้นที่ถึงเรียกท่าน คำว่ากัลยาณังงามดีกัลยาณัง เหมือนน้ำกับใบบอนน้ำแต่ได้นะได้ ชรชัยมีทั้งปัญญามีทั้งความแหลมคมมีทั้งความคล่องแคล่วไม่ใช่ ลักษณะที่ตรงกันข้ามที่พูดนิ่งชาชาเย็นหา มุทุผู้เตเป็นแต่ไม่ใช่ชั่วไม่ใช่ชั่วลักษณะออลยิตไวคล่อง จึงเราปฏิบัติตนไปเร็วไปมีสติ มีส่วนมากของชีวิตได้ประโยชน์ทางจะยิ่งเป็นทรงแล้วที่ในภาษาร่วมกันแปลกันคัด ไม่หวั่นไหวมุทุปุเตแปลๆอ่ามันไวเร็วปราดเปียวคล่องแคล่วยิ่ง ธรรมวิจริยะสมโภชชงเร็วด่วนสติทั้งคร่องสติสมโภชฝึก เทียบละเอียดยิ่งมีภาคฝึกหัดมากยิ่งๆ ก็ยิ่งจะมีสภาพพวกนี้นิพคุณ เกิดประโยชน์ยิ่งประโยชน์ใหญ่ประโยชน์ 8 ซึ่งมันจะเลือกตามความสามารถๆ แบบโบราณโบราณแบบผู้ที่ แต่เราต้องมีภาวะมีอำนาจบังคับใช้ สามารถที่จะให้มันรอบรับขึ้น หมกมากมากมากๆก็กดได้เหมือน เอาหินออกเมื่อไหร่มันเกิดอีกงอกอีกใชใชใชใช 8 ใช้ โพธิปักขิยธรรม 37 อะไรตรงปัญหาอะไรอ๋อ จิตของคนนอนหลับกับจิตที่กําลังตกหลับนิโรธ ราวนี้มีลักษณะดาบทคืออะไร เรานอกพุทธศาสนาต่างกันอย่างไรศีลดาบทอะไรนะนอกพุทธศาสนา สนใจแล้วก็เป็นเทคนิคเป็น ความหมายของคําโดยตริยัสโดยบัญญัติก็ตาม เป็นการพูดเป็นการบรรยายเป็นการบอกสภาพพบก็หมายความว่าเรากําลังเกี่ยวข้องอยู่ ทรงเห็นภวะพบที่หมายหมายอากามหมายหมายเอาตา เรียกว่าภพข้างในเรียกว่าภวังค์ จิตจิตไม่มีตัวตนมีเป็นอนัตตังไม่มีรูปร่างไม่มีตัวตนไม่มีตัวตนจิตเพราะ มีมีเทวดาบางองค์มีใส่ฉดา ทีนี้เค้าสมมุติเค้าอธิบายว่าเปรตบผีก็มีปากเล็กๆท้อง ตกมาอยู่ดาวอะไรนี่เค้าก็นึกว่า การเรียนรู้ธรรมะที่แท้เนี่ยลักษณะอนัตตาใน ไม่ได้สมมุติเสียงว่านึกว่าได้ยินเสียงจริงๆมันไม่มีเสียงหรอกเรามีอุปทานเห็นรูปลืมตามองๆนี่ก็เห็นรูปเดินๆเลย เหมือนมีเนื้อมีหนังมีตัวมีตนๆ มีนั่นมีนี่อะไรไปตามๆแล้วก็ได้สมใจมีจริงๆ มันเป็นความปรารถนาของตัณหาของจิตอย่างลึกแล้วตัวเองไม่ สมเร็จด้วยจิตจิตตัวเอง มะละกอนี่รสเผ็ดเผ็ดเนี่ยมันอร่อยเหลือเองหรือ แค่นี้นี่คนทั่วไปเป็นโรคจิตชนิดนี้อยู่คนทั้งนั้นคนไม่กิเลสคือคนมีโรคจิตทั้งนั้นมีโรคจิตไปหลงก็หลอกว่าเนี่ยตําละกอใส่พริกเผ็ดๆนี่แซ่บดีที่จริงเนี่ยโลก เจ้าถ้าได้กินอย่างนี้แล้วไม่ให้มันมันดีโลถ้าได้กินอย่างนี้แล้วแหมมันมันใช่ปฏิกิริยาจะตายเอาแต่เรานึกตอน มาถึงแตะร้อนร้อนๆชอบยิ่งเซ็ดๆอร่อย เป็นรสนิยมโลกเป็นฐานนิยมโลกแล้วนึกเพราะว่าต้องติดรถเผ็ดไม่มีรถเผ็ดกินข้าวไม่ลงจริง นะเป็นอย่างนี้ที่จริงมันไม่มีความจริงเป็นโลกถ้า มันก็เผ็ดตามอย่างนั้นเพราะมันมันมีปฏิกิริยาตามธาตุธาตุที่ทํานั้นๆอีกหลายคนก็ <wrestle> มันเป็นอย่างนี้มาๆนะเห็นรูปสวยอย่างนี้มันๆสีๆสันๆ มันไม่จริงมันหมดเห็นเฉยๆสีอย่างนี้ก็สีสิรูปอย่าง มันเป็นจริงเป็นจริงๆพออาการเหล่านั้นมันลดลงเราธรรมดารูปก็ อารมณ์อร่อยมันก็ไม่เพลินมันๆ แต่ก่อนนี้เคยดูดตอนนี้กลับผลักแสดงนี่เคยดูดตอนนี้กลับผลักสะแรงอ่าแล้วก็ ผลนั้นอย่าให้ผลพิจารณาให้เห็นความจริงมันก็มีในพยายามดูพยายามอืม คนที่ก็แสวงหาฝ่ายใจอยากๆนั้น แล้วก็จะมาอยู่สุขสบายเรารู้ว่า เป็นของเราได้สัมผัสเสพสีเสวยเสน่ห์แล้วก็เป็น วิมุตติรสกับโลกียรสเป็นกามาวจรกันโลกียรสเสพสมเป็นสวรรค์หลวง ไม่ต่อกิเลสกลับหมดลงก็ยิ่งจะเห็นว่าโอ้แต่ก่อนเนี่ยเราโง่ไป วิเศษของอารมณ์นึกว่ามันเป็นอารมณ์ของมนุษย์ควรได้ควรเป็นเมื่อเราลดได้แล้วเราจะเห็นได้อ่านึกอ๋อเนี่ย